ยังแข็งแรงอ่าใครเขาบอกว่าหลวงพ่อให้หยุดสอนซะบ้างเถอะหยุดสนอนนั่นแหละมันจะไม่แข็งแรงยิ่งสอนยิ่งแข็งแรงแปลกประหลาดนะเพราะอะไรเพราะว่าเอ่าการสอนแต่ละครั้งละครั้งนั่นอ่ะเราจะต้องใช้พลังไม่ใช้พลังเนี่ยมันไม่มีปฏิพานที่จะออกไปได้ทีนี้เมื่อ เราต้องใช้พลังในแต่ละวันเราก็ต้องเตรียมพลังของเราไว้แต่ละวันทีนี้ถ้าหากว่าเลิกสอนเราก็เลิกเตรียมพลังทีนี้การเตรียมพลังเนี่ยมันเอ่เอไม่ใช่เตรียมไว้พอดีมันต้องเตรียมเผื่อเหลือเผื่อขาดอย่างเราจะเตรียมพลังสักแปดร้อยอย่างนี้เราก็เอาสักพันหนึ่งเหลือไว้สองร้อยไว้ใช้ ทีนี้เมื่อหลายทีเข้าหลายทีเข้าสองร้อยมันก็กลายเป็นหลายร้อยสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่สลายตัวเพราะว่าพลังจิตที่ได้ทํากันเนี่ยทําสมาธิเนี่ยมันไม่มีการสลายตัวถ้าเราทํำมาไหวอย่าง อ, อนักศึกษามาเรียนสมาธิกันทุกคนเนี่ยอย่างเวลาทําอย่างเนี้ยทําไปวันที่หนึ่งที่สองมาถึงวันนี้ตั้งหลายสิบวันแล้วเนี่ย พลังเหล่านี้ไม่ได้สูญสลายตัวยังอยู่กับนักศึกษาตลอดไม่ใช่หยุดเฉพาะเ อ, อชาตินี้นะชาติหน้าต่อไปยังตามไปอีกอันนี้คือพลังขิดอันนี้พูดอย่างเงี้ยมีหลักฐานด้วยเหรอมีหลักฐานยังไงก็มีหลักฐานสิอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองปรารถนาโพธิญาณทั้งสี่อสงไขยแสนกลับเริ่มมาตั้งแต่ชาติที่เป็นสุเมธทะลือสรี นับตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลาตั้งสีอสงไขยนับตั้งแต่วันที่เป็นสุมเมธเธอร์สีนั่นน่ะไม่ใช่ว่าเป็นฤาษีปเปล่าเปล่าฤาษีที่ได้ฌานสมาบัติแล้วด้วยและท่านก็ได้ทําสมาธิมาทุกชาติและสมาธิเหล่านั้นไม่ได้สลายตัวเนี่ยมาถึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาศาลเลยพลังสีเนี่ย พวกเราก็เช่นเดียวกันเพราะว่าจิตใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครเป็นใหญ่สูงแค่ไหนต่ำต้อยแค่ใดใจดวงเดียวใจเหมือนกันไม่มีอะไรจะผิดแผ่แตกต่างกันคือใจมนุษย์อย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นใจดวงนี้จึงเป็นลักษณะที่สามารถเก็บสะสมไว้ได้ ทำในขณะนี้ก็สะสมต่อไปในในเวลาต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิจึงเป็นเรื่องของดีของวิเศษและเราก็คงจะได้ประสบกับตนเองว่าเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้มาเรียนและเมื่อมาเรียนแล้วเนี่ยไ้เกิดความแตกต่างกันยังไง หลวงพ่อไม่ได้ดูอะไรหรอกดูแต่สีหน้าดูผิวพรรณอะไรต่างๆเหล่าเนี้ย <c oughs> ดูสําหรับวันแรกแล้วก็มาดูถึงวันนี้สีหน้าก็ผ่องใสขึ้นทุกคนผิวพรรณแหนะผ่องใสขึ้นทุกคนเรี ย, ยกว่างามกันขึ้นทุกคนนะ่ะว่างั้นเถอะ <c oughs> ไม่มีใครยกย่อมลูกศิษย์ เราก็ยกย่องกันเองเป็นไรไปอันนี้ไม่ใช่ยกย่องผิดนะคือพูดถูกพูดถูกที่ว่าเมื่อใจของเราเนี่ยมันเกิดพลังแล้วเมื่อเกิดพลังแล้วเนี่ยมันก็จะมาส่งผลให้กับร่างกายของเราอีกด้วยเราลองสังเกตดูคนที่อมเรียกว่าอมความทุกข์เรียกว่าเก็บกด เราจะมองเห็นว่าคนนั่นจะสวยงามแค่ไหนก็ช่างเธ อ, อเป็นนางงามจั ก, กรวาลก็ช่างเธอถ้าหากว่านั่นเก็บกดอารมณ์หรือเรียกว่ามีอารมณ์บูดเน่าอ ะ, อะไรมากมายไม่ได้ทำสมาธิไม่ผ่องใสหรอกอสู้พวกเราไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ผ่องใสนั้นคือผู้ที่มีความปร่งสภายในที่นี่ เมื่ออธิบายไปเราก็จําเป็นต้องวอกเข้าหาข้อยุติคือในข้อที่หกที่เรากําลังเรียนมานี้เรียนมานี้ข้อที่หกนี้คือข้อสุดท้ายของการเรียงภาคที่หนึ่งภาคที่หนึ่งเนี้มาจบเอาข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายหมายความว่าเทอมที่หนึ่งจบแล้วณนะวันนี้แต่ว่าตามธรรมดาเมื่อจบเทอมก็พัก เรยกว่าพักเอาแรงกันไม่ใช่พักเอาแรงหรอกพักเพื่อให้เป็นพิธีกรรมหน่อยแต่ว่าในครั้งนี้เราไม่ได้พักเพราะว่าหลวงพ่อเองจําเป็นต้องไปประชุมาศาสนาโลกที่ประเทศแคนาดาโตเรนโตในระหว่างนั้นก็เลยถือเอาระหว่างนั้นเป็นระหว่างปิดเทิมเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันปิด เราก็ยังต้องมาแล้วก็เรียนภาพที่สองต่อไปเมื่อมาพูดถึงความโลภสมาธิความโลภนี่เป็นอันตรายอย่างไรอย่างบาลีท่านก็แสดงบาลีนะคำว่าบาลีนี่ก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกจะ่เรียกว่าบาลีบาลีาว่าโลภพธรรมานังปริปันโูความโลภเป็นอันตรายของสมาธิสมาธิก็คือทำอันนั้น เรียกว่าความโรคเป็นอันตรายของสมาธิข้อนี้เราน่าจะจํากันให้ดีเพราะว่ามีบางคนเนี่ยเอาเป็นเอาตายเกี่ยวโอ้โหพูดๆไม่ได้กระดิกตัวด้วยตัวก็ไม่ได้เกรงไปเกรงมานั่นมันไม่ใช่นั่นเขาเรียกว่าโลโธธรรมานาังปริพันโทความโรคเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายทีนี้อทีนี้ถ้าไม่มีความโรคเนี่ย แล้วเราจะมาทำสมาธิได้อย่างไร gangs. ที่จริงนั้นเรามาทำสมาธ right ิานี่ก็คือความโลภนั่นเองโลภอยากได้ความอยากได้ก็คือความโลภแล้วเราอยากได้สมาธิก็คือความโลภแต่ว่าความโลภอันนี้มันเป็นความโลภที่มีเรียกว่าเป็นผลคือเป็นความโลภที่ให้คุณประโยชน์ความโลภให้คุณประโยชน์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์อันที่เรียกว่าเป็นความโลภนี่เป็นคุณประโยชน์ให้เรานี่เกิดความกระตือรือร้นเกิดความตั้งใจมั่นว่าเราต้องการอยากจะได้อนี้ขึ้นมาก็คือหมายความว่าอยากจะได้สมาธิขึ้นมาแต่ทีนี้เมื่อเวลาที่เรามาทำสมาธิเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพอเวลาทำสมาธิเกิดตัวเบา ทำสมาธิเกิดแสงสวง่างทำสมาธิเกิดนิมิตทำสมาธิเกิดความ อ, าอะไรหลายอย่างสิ่งเหล่านี้นั่นน่ะมันเกิดขึ้นมาด้วยความดีเท่านั้นคือหมายความว่าด้วยความต้องการด้วยความปรารถนาแล้วก็เป็นความโลภด้วยแต่ว่าความโลภอันนี้ มันเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้เกิดความดีเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นความดีต่างๆเช่นอย่างอาหารอย่างนี้อาหารนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีอาหารเนี่ยเราก็ต้องตายแต่เช่นนี้เราไม่อยากอาหารเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราไม่อยากอาหารเราก็ต้องอยากถ้าไม่อยากกินเข้าไปได้ยังไงถ้าไม่หิวนะโดยความหิวความอยากขึ้นมาอย่างเงี้ย เราก็ต้องกินแต่ความหิวความอยากความต้องการเ น, นี่ก็เป็นความโลภชนิดแต่ความโลภอันเนี้ยมันก็ทำให้มนุษย์อยู่ได้มีต้องรับประทานอาหารมีอะไรเข้าไปแล้วในขณะเดียวกันกันกบที่ความโลภอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอันตรายอยู่เขาเรียวกว่าอันตรายอยู่อย่างหนคือว่าไม่รู้จักประมาณเที่ยวเนี้ย เที่ยวเนี้ยให้โทษแน่ละอาหารเนี่ยเป็นความดีจริงแต่กินเข้าไปหวานมากๆเาหวานขึ้นแล้วกินมันมากๆคาร์โบไฮเดรตขึ้นแล้วอย่างนี้ถ้ายิ่งโลคมากเข้าไปกินคาร์โบไฮเดรตจะที่ผู้อร่อยจริงน ะ, ะกินสามวันเนี่ยอ้วนมาสิบกิโลอย่างเนี้ย <c oughs> ก็มีหวังมีหวังแน่ๆอันนี้คืออันตรายอันตรายเยอะเกิดขึ้นแล้ว อันตรายมันเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่อันตรายมันไม่ใช่ว่าไอ้ความโลภนี่มันเป็นอันตรายเอาจริงๆแต่ความโลภนี่ยมันก็มีประโยชน์คือความต้องการนั่นเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันไม่รู้จักสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดแค่เอาเอาว่ากันทั้งว่าอสมาธิมันจะมีสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราต้องจับตัวเอาไว้ ที่เราจะต้องระวังและจับตัวระวังจับตัวนั่นคือภาพลวงตาภาพลวงตาเนี่ยที่มันจะทำให้เราค่อยเผลอพอค่อยเผลอเข้าไปแล้วก็เกิดการตะเกียกตะกายที่อยากจะได้สิ่งนั้นขึ้นมาอันนี้คืออันตรายอันตรายเกิดขึ้นอันไหนเป็นอันตรายและอันไหนที่มันทำให้มันเกิดไอ้ความค่อยเผลอขึ้นมาแล้วอันนั่นคืออันตราย ว่าอันตรายอันนี้นั่นมันเกิดขึ้นมาได้คนที่รู้เท่าไม่ถึงการเพราะภาพรวงตามีเยอะเวลานั่งสมาธิเห็นโน่นเห็นนี่ชักจะไปกันใหญ่ไปกันใหญ่ยังไงบางคนเห็นนรกบางคนเห็นสวรรค์ไปแล้วนรกสวรรค์ที่เห็นนั่นนะคือภาพรวงตาชนิดเพราะอะไรเพราะว่า ใจของคนเราเนี่ยมันเหมือนฟิล์มถ่ายรูปได้อธิบายมาแล้วตั้งแต่ต้นเมื่อเวลาเรานึกภาพอะไรขึ้นมาคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเก็บเอาไว้นึกมากก็เก็บนึกน้อยก็เก็บนอกจากเก็บแล้วก็ยังต้องมีสังขารอีก เ, เก็บไปแล้วก็ปรุงแต่งออกไปอีกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเก็บออกมาแล้วอย่างเนี้ย พอเก็บเข้ามาแล้วอย่างนี้พอเวลาจิตมันเข้าพวังผวังนั่นนะคือความลืมตัวพอเข้าพวังพักๆนี่มันจะออกทันทีมันจะมีอะไรก็ตามมันก็จะออกมาให้เห็นอย่างเราเห็นนรกเนี่ยเราก็เห็นต้นงิ้วขาเขียนต้นงิ้วเนี่ยโอ้โห้ํามันไอ้ต้นงิ้วจริงๆก็ไมา่แหลมแ่านั่นหรอกพอเวลาไปเขียนเนี่ยแหลมอ่ะ แล้วก็ยังไปเขียนกระทะทองแดงอีกอย่างนี้กะทะก็ไฟเกิดขึ้นคนที่จะเป็นสัตว์นรกที่จับลงไเนี่แข้งขามันก็ออหอมไม่อ้วนแต่มันก็มีหนังเหมือนกันนะแต่มันก็หนังซอหุ้มกระดูกเพื่อที่จะได้จับโยนลงกระทะอันนี้เป็นภาพทีดเขียนขึ้นพอเขียนขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาไป เวลาคนที่จิตชอบระวังแล้วไปเห็นเนี่ยมันก็เห็นภาพอย่างงี้ทีจริงแล้วนเราจริงๆอ่ะภาพมันไม่เหมือนอย่างนี้หรอกถ้าคนไปเห็นจริงๆมันไม่ใช่กระทะทองแดงไม่ใช่อย่างที่เขาเห็นกันอย่างนี้ไอ้ น, นี่ล่ามโซ่อย่างเงี้ยหมือนันต่คนอยู่ในตลรางอย่างเงี้ยล่ามโซ่เอาโซ่มาล่ามไอ้นายนายทบียนกัดถือหอกไล่อย่างเงี้ยจริงแล้วมไม่เป็นอย่างนั้น แต่ว่าที่เขาเขียนมาเนี่ยเพื่ออให้เห็นเป็นลักษณะอเหมือนกันกันกบที่เขาเขียนภาพพระพุทธเจ้าพระจนมานอย่างเนี้ยการเทพพุทธเจ้าพระจนมานเนี่ยมันก็จะมีช่างนาลากรีเงยอัคยามานเนยหอกเอยหน้าแดงเลยน้าเขียวเลยหน่าขาวเลยมีสแสดงรทธ เอาฝนน้ากรดลงมาเอาฝนใจเข้ามา เ, าเราไม่เคยอยู่เมืองอินเดียเราไม่รู้หรอกว่าฝนใจเนี่ยมันไร้กาแค่ไหนเก็ <c oughs> าถามเลยขาดูก็ได้เลขาไปอยู่อินเดียแล้วว่าไอ้ฝนเนี่ยทีนี้ยหลวงพ่อไปเมื่อปีนึงอ่ะไปก็ไปเจอไอ้ไอ้ฝนใเนี่ยเราไอ้อะไรมันดําฝืดมานู่น่ะ เขโอ้ยฝนสามันแล้วหลวงพ่อเร็วเร็วมันเร็วทำไมฝนสายก็ฝนสายโอ้มันเข้าตาไม่ไหวนะรี้วติดประตูหน้าต่างเข้าห้องหมดเลยเราก็ต้องเข้าทีนี้เราก็าคนอยากรู้อยากเห็นน่ะอยากรู้อยากเห็นน่ะไม่มันเป็นยังไงนะเปิดปหน้าต่างหน่อยให้ ก็ปวดหัวเดียวก็มันโอ้โหห้องนั่งตายเกือบเต็มห้องโอ้โหตายจะได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเขียนภาพอเขียนภาพออกมาวัดน้ำกอดบ้างอะไรอะไรบ้างเนี่ยที่จริงแล้วนั้นอ่ะการเขียนภาพนั้นมันไม่ใช่ที่จริงแล้วนั้นคือความเจ็บความปวดความเมื่อยความเหนื่อยความหิวที่เกิดขึ้นในตัวของพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองอย่างง้นตํางหาก อย่างนางธรณีเนี่ยก็พูดตรงเลยอ่าทีนี้พวกมารต่างๆมันก็แพ้แพเพราะว่านางธรณีมาถึงรีดน้ำรีดมวยผมออกเป็นน้ำน้ำก็ท่วมมารตายเกลี้ยงเล ย, ยนีก็เหมือนกับน้ำใจของพุทธเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับธรณีคือแผ่นดินเพราะฉะนั้นในการนั่งสมาธิเนี่ยมันจึงสำคัญอยู่ที่ว่าภาพรวงตาภาพรวงตาเนี่ย มันจะทำให้เกิดความวิปริตทางใจอันนี้มันเป็นตัวการที่ควรจะต้องระวงังอที น, นี้คำว่าความโลภนั่นอ่ะอย่างที่ได้อธิบายมาแล้วว่าการที่เราจะทำที่มันมีจังหวะมันมีเวลามันมีขั้นมันมีตอนที่เราจะต้องทำสมาธิไปเนี่ยไม่ใช่ว่าแม่นั่งทีเดียวตลอดคืนตลอดวัน แตเดี๋ยวเลยเสร็จเลยเป็นอมภารมันต้องทําอะไรกันแล้วอย่างเงี้อันนั้นมั น, มนโลภมากเกินไปมันไม่ได้อย่างคนที่โลภมากอยากจะได้เร็วอะไรอย่างนี้เวลาไปแข่งขันหรือไปแข่งอะไรต่ออะไรต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างแหละถ้าโลภมากแล้วแพ้เขาทุกทีเพราะอะไรเพราะว่าเออมันให้เกิดอความไม่สมดุลไม่พอเหมาะด้วยเหตุนี้ ในพุทธศาสนาจึงเนะนไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัตินั้นต้องพอดีผลทางกลางผลทางกลางก็คือผลทางพอดีเขบอกว่ามัชฌิมาแปลว่าทางกลางก็ไม่รู้ว่ากลางยังไงแต่เราก็มาพูดกันซะว่าความพอดีนั่นแหละคือผลทางกลางก็ฉะนั้นขั้นตอนของการทำสมาธิก็ต้องเชื่อยังไงยังไงเท่ พูดไปพูดมาก็ยังไงยังไงเจ๊ก็ต้องเชื่ออาจารย์นะว่าพูดกันง่ายง่ายนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็ต้องเหนือกว่าลูกศิษ์นั่นเป็นของธรรมดาแบบเดียวก็หลวงพ่อต้องไปฉันที่ควายเราก็ดีใจว่าอาจารย์นะแต่ฉันที่ควายแน่แล้วนะเพราะว่าเดินทางไปน้ําหมดเนี่ยเราฉันก่อนแค้ก็ไปหาน้ํามาหาน้ํามาก็ไป มันก็มีปลักไฟอยู่นั่นขี้ข้างล่างเต็มเลยนะแล้วก็กรองมาให้เสร็จถวายอาจารย์ก็ถามว่าเฮ้ยนี่ยังไอ้น้ำนี่มันทำไมมันตุ๊ตุ๊อย่างนี้วะอ๋อน้ํำนี่มันน้ําขี้ควายครับเขาบอกงั้นเออดีน้ําขี้ควายเป็นยาเว้ยเป็นยา ย, ยังไงโอ้เนี่ยเดิ น, นต่อเนี่ไปอีกที่นี่นนะทําไม่ได้กินน้ําขี้ควายแกจะหิวเกือบตายอ่ะถ้ากินนะก็ไม่หิวหรอกแค่มันก็ดีสิ เราก็ล่อซะเต็มเหนียวอแกกินอิ่มไม่ยังอิ่มแล้วดีดีพอกินแล้วเราก็คิดได้นีอาจารย์ให้เราไม่ใช่กินน้ำที่ควายแต่ท่านเราก็กินน้ํำที่ควายเหมือนกันอันนี่ก็ถือว่าอย่างนี้ว่ายังไงเสียถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเราอย่าพึ่งไปตัดสินใจเองในเรื่องของสมาธิอ่าตัดสินใจเอง จะต้องเชื่อครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่ออย่างเงี้ยต้องเชื่อเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้คิดร้ายต่อนักศึกษาหรือลูกศิษย์มีความหวังดีนะมีความปรารถนาดีเพราะฉะนั้นเมื่อภาพลวงตาเกิดขึ้นหลวงพ่อบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ทีเราก็อย่าไปยึดอย่าไปยึดในสิ่งที่เป็นภาพลวงตามาให้เราว่า พอเวลาที่เราเห็นแสงแล้วเนี่ยโอ้ยอยากจะได้แสงนี่มากขึ้นมาทีหลังมามันก็กลายเป็นไอ้สัญญามันไม่ใช่แสงจริงอันดับแรกเนี่ยมันคงเป็นแสงจริงเพราะว่าแสงที่จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากไอ้กระแสจิตจิตของคนเราเนี่ยมันจะมีกระแสที่มีกระแสดได้นั้นก็ต่อเมื่อรอบมันมันถึงเธอได้จังหวะ ถ้าไม่ได้จังหวะไม่ถึงขั้นเนี่ยแสงจะออกไม่ได้แม่แกันกับเอการหมุนของมอเตอร์ที่จะให้มันเกิดไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันหมุนรอบมันไม่ถึงเนี่ยมันออกมาเป็นไฟไม่ได้เช่นอย่างเออก็ลืมไปแล้วละ่ะไ อ, อ่บางบางอย่างเนี่ยเขาจะต้องหมุนแปดร้อยรอบแปดร้อยรอบมันถึงจะออกไฟแล้วถ้าอีกอย่างหนึ่งเนี่ย มันจะหมุนพันสองรอยรอบมันถึงจะออกไฟอย่างเนี้ยถ้าถ้าถ้าขนาดแปดร้อยรอบเนี่ยมันหมุนซะห้าร้อยรอบไ อ, ไอการหมุนของมอเตอร์เนี่ย500ห้าร้อยอบไฟสว่างนี่จะออกไม่ได้แต่ถ้าหากว่หมุนไปครบรอบของมันคือแปดร้อยรอบมันก็จะออกแสงสว่างขึ้นมาทันทีหรือแบบที่ว่าต้องใช้พันสองร้อยรอบ มันไปหมุนซะหกร้อยรอบมันก็ไม่ออกถ้ามันหมุนไปถึงพันสองร้อยรอบแล้วทีนี้มันก็จะออกละทีนี้เ <c oughs> ช่นเดียวกันกับเมื่อเวลาที่เราทำสมาเทเนี่ยได้จังหวะเรานึกพุโทโธไปการนึกอพุโทโธนั้นคือการสร้างพลังจิตดังที่ได้อธิบายมาแล้วแต่ต้นเพราะวันนี้ก็จะเป็นวันอธิบาย เอภาพหนึ่งนี่จบแล้วเนี่ยก็ทวนกลับนิดหน่อยว่าไอ้การที่เราบริกรรมพุทโธนั้นน่ะที่เราบริกรรมมานับตั้งแต่วินาทีของการบริกรรมพุทโธนั้นจิตมันก็ได้เป็นสมาธิขึ้นมาแล้วการเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วนั้นก็จะกลับแปลสภาพกลับไปเป็นพลังจิตทุกครั้งที่เราทำสมาธิที่เราบริกรรม เ่บริกรรมไปทุกครั้งทุกครั้งที่เราบริกรรมไปทํำแสมารที่เข้าไปแล้วอย่างเนี้ยมันไปกลายไปเป็นพลังจิตแต่ว่าพลังจิตที่เรานั้นคือพูดแคทีเดียวให้รู้กันเลยว่าพลังจิตที่ทําขึ้นมาที่เราทําแต่ละครั้งนั้นก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าพลังหลักส่วนหนึ่งเรียกว่าพลังเฉลี่ยพลังหลักนั้น โดยเฉพาะแล้วเขาคำนวณกันไว้แล้วว่าพลังหลักจะมีอยู่ประมาณ 60% พลังเฉลี่ยนั่นจะมีประมาณ 40% 40% นี่จะเป็นส่วนที่ใช้ไปแล้วก็หายไปส่วนพลังหลัก 60% นี่จะไม่มีการสลายตัวก็จะอยู่ในใจของเราของเราเนี่ยตลอดไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็ทำไปตามขั้นตอนของอความที่จะเป็นสมาธิอย่างหลวงพ่อในขณะนี้ก็พานักศึกษานั่งสมาธิสามสิบนาทีสามสิบนาทีนี่ใครไปคิดว่ามันน้อยไม่น้อยแล้วใครจะไปคิดว่ามากก็ไม่มากจนเกินไปอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าน้อยกว่า น, นี้จะถือว่ามันก็น้อยไปหน่อยแต่ถ้าหากว่ามาอยู่ในขั้นที่ว่า สามสิบนาทีที่พาทมเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่พอเหมาะพอดีบางคนก็บอกว่าทำไมถึงหลวงพ่อพานั่งน้อยเกินไปไม่น้อยแต่บางคนนั่นปิดไปบิดมาเ ก, กือบแย่อยู่แล้วแล้วไอ้คนที่จิตมันรวมก็พราะว่านิดเดียวสิไอ้อทีนี้คนหนึ่งยังไม่ทันได้รวมหลวงไม่เข้าก็วางเนี่ มันก็มากหน่อยมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่านะหลวงพ่อได้สังเกตมาแล้วว่าตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองมาจนกระทั่งถึงรุ่นที่สามเราก็เทสคือหมายความว่าสำรวจในด้านจิตใจกันหมดแล้วผลที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าออกมาดีมากเราถือว่าดีมากมันมีอยู่มันมีอยู่สามดีดี D, D เนี่ย ดีดีมากดีที่สุดอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นในระยะที่ได้ดำเนินการมาเนี่ยเราถือว่าดีมากเราเท่านี้ถือว่าเป็ น, นที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นการระดับมาอย่างนี้อย่างบางคนอย่างนี้หลวงพ่อยังไม่ได้อธิบายวิปัสนาถามวิปัสนาแล้ว หลวงพ่อยังไม่ได้อธิบายถึงมรรคผลถามมรรคผลแล้วหลวงพ่อยังไม่ได้อธิบายถึงอริยศาสตร์ถามอริยศาสตร์แล้ว <c oughs> ชักจะโลบไปนิดๆอย่างเงี้ย <c oughs> ยังไงก็ตามหลวงพ่อก็ได้อนุญาตแล้วว่าถ้าใครอยากจะถามยังไงก็ได้ทำจมไม่ไม่เป็นไรเราก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบะถาม ถึงว่าเราไม่ได้ไปอเมริกาเรารู้นิวยอร์กว้ก็ยังดีไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามอาการที่เราพยายามที่จะสร้างคื อ, อการสร้างสมาธิที่เพื่อให้เกิดความมั่นคงและเพื่อให้เกิดความได้รับผลประโยชน์อันแท้จริงต้องอย่าไปเชื่อภาพลวงตาที่เกิดขึ้น ภาพดงตาแล้วก็สิ่งที่ทะเยอทะยานในจิตใจมากจนเกินไปโอ้ยมีคนบางคนมาบอกว่าฉันนั่งตั้งแต่ที่ไหนถึงที่ไหนนะโอ้ยหชั่วโมงหชั่วโมงหลวงพ่อบอกไอ้แล้วแต่ <c oughs> ก, ก็ไม่ว่าอะไรอะ่ะฉันั่งไปเขาก็สบายไปแต่ในที่นี้เมื่อเข้ามาถึงในระยะที่ มาอยู่ที่หลวงพ่อนี่แล้วหลวงพ่อจะทำในระยะที่พอเหมาะพอดีถ้าใครจะวิ่งไปก็ดึงหลังไว้ถ้าใครมาไม่ถึงก็ฉุดมาอย่างเงี้ยพราะว่าไหนๆเราลงเรือลำเดียวกันแล้วยังไงเสียหลวงพ่อก็คงมาให้กระโดดเรือหนีต้องลงเรือลาเดียวกันลงเรือลาเดียวกันนั่ะ น, นอนก็ได้นั่งก็ได้ ในที่สุดมันก็ไปถึงฝั่งด้วยกันนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นยังไงเชื้อหลงพ่อเป็นกับตันเอะกับตันเอาเยอะยังไงก็ไม่เอาเรือไปชนเอหินให้มันแตกละ่ะยังไงได้คลื่นได้ลมอะไรมาก็บอกว่าลูกเรือระวังหน่อยอใครอย่าไปเพราะเวลามันจะไปอยู่กราบนี้มากก็ดึงมากราบนี้ให้ให้เรือมันบาลั่นกันเดี๋ยวไปอยู่กราบเดียวมันก็คลิกควาเลย อย่างนี้พ อ, อเห็นท่าไม่ดีก็ดึงกลับซะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงได้มีการที่ว่าเราต้องการให้นั่งสมาธิและเรียนทางภาคคริสตีนหนึ่งร้อยชั่วโมงแล้วก็ภาคปฏิบัติหนึ่งร้อยชั่วโมงในหนึ่งร้อยชั่วโมงเนี่ยถือว่าถ้าไม่ถึงกับปะทะประมะถึงว่า โอ้ยต่ำเกิน <c oughs> ไปแล้วต้องได้ทุกคนในระยะหนึ่งร้อยชั่วโมงที่ทำสมาธิมาเนี่ยยังไงเทสต้องได้ในเมื่อมีแบบแผนอย่างที่ได้ทำมาเนี่ยทุกคนต้องได้ได้อะไรรู้เองได้อะไรรู้เอง <c oughs> ว่ามันสบายยังไงรู้เองกออ็วันนี้ก็ใช้นี่ต่อไป เ, ออเมื่อลวงพ่อเดินไปหา หลวงปู่มั่นเวลานี้ขึ้นรถไปแล้วไม่ได้เดินแล้วนะเพราะว่าอาศัยรถญี่ปุ่นไปเนี่ยไปถึงบ้านจิกก็ไป พ, พักอยู่ที่วัดบ้านจิกข่าวว่าหลวงปู่มั่นเวลานี้อยู่ที่จังหวัดสกลนครเอบ้านโคกตําบลตองขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจิตใจก็รุ่มร้อน อยาจะไปถึงท่านให้เร็วที่สุดอบอกอาจารย์อย่าอยู่นานนักเลยเฮ้ยมันเหนื่อยหยุดก่อนนี่มันตั้งอาทิตย์แล้วเดินเถอะอาจารย์ทนความอ่อนวอนของลูกศิษย์ไม่ไหวเอ้าไปก็ไปทีนี้ก็ตามเคยหลวงพ่อก็ต้องรบพายบาทสองโรกแบกกฎสองอัน เที่ยวนี้ไม่มีภูเขาจะขึ้นแล้วก็เดินทางราจากจังหวัดอุดรธานีเนี้ยไปจังหวัดสกลนครเป็นหนทางประมาณหนึ่งร้อยหกสิบกิโลเมตรหรือหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลเมตรอะไรทานองเนี้ยวันหนึ่งก็เดินสิบห้ากิโลก็แล้วกันว่าแม้สิบวันเราก็ถึงก็เลยต้องเดินอ า, ากาศขนาดนี้สิบห้ากิโลแล้ว ไปนจนกระทั่งถึงเมืองอไปถึงวาลิตวารุธเนี่ยมันแปลกอตอนที่หลวงพ่อเดินไปนั้นสองสี่แปดสี่ต้นไม้ทั้งนั้นต้นเต็งต้นลังต้นใายใหญ่ไปพอไปถึงวาลิตหลวงพ่อวิทยาัมอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันเราจะอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งอาจารย์ถามบอกว่าอยู่ทําไมอ่ะเตรงนี้มันแปลกประหลาดนะ อะไรมันมีสิ่งของแปลกประหลาดอยู่เราอยู่ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งของแปลกประหลาดนั้นคืออะไรแล้วก็ไปพักพอไปพักแล้วพวกชาวบ้านเขามาบอกว่าแถวนี้ผีมันดุอาจารย์นั้นก็ถามว่าผีดุตรงไหนนี่แหละบอกว่ามันผีที่มันอยู่ที่นี่เขาเรียกว่าผีตีนเดียวเออตีนเดียวแล้วมันเดินได้ยังไงล่ะ มันก็กระโดดเอาสิถ้าหากว่ามันต้องการจะกินใครอย่างนี้มันกระโดดกินหมายความว่าต้องตายกันพอตายกันเยอะๆหลายคนแล้วเขาก็ว่าผีมากินเรื่องของเรื่องมันเกินกระทั่งเอค่ำคืนวันหนึ่งท่านอาจารย์ท่านบอกว่านี่เรามาทดลองเดินกันไหมกลางคืนน่ะอ๋อทดลองก็เอาสิ แล้วจะไปไหนล่ะไม่รู้ว่าจะเดินตามฉันมาก็แล้วกันว่าท่านก็พาเดินไปเวลานั้น น, นนะยังจําได้ว่าจะเป็นตีหนึ่งด้วยยังไงแม่ปลุกมารุขึ้นเดินตีหนึ่งแต่ทีนี้ไม่ได้เดินไปเมืองสกนะุลนั้นไม่รู้ท่านพาเดินไปไหนเฮ้ยเอแบบาทก็ไม่ต้องเอาเอาไปแต่ผ้าคลองก็แล้วกันนั่นว่านนะเอาแต่ผ้าคล้องไป ก็พาเดินไปออกจากวัดเวลานั้นไปพักอยู่ในวัดพาเดินไปแล้วมันมีคลองคลองหนึ่งนี่ตอนนั้นไปถึงนี่วิทยามแกะกล้ากระโดดแม่น้ำเนี่ย <laughs> ไม่ไม่กระโดดก็ว่างนั้นเล่นแบบนี้ไม่ไหวแกไม่กระโดดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ <laughs> พอแป๊บเดียวเท่านั้นนะ่ะ ท่านไปอยู่ฝั่งนู้นแล้ว เ, เราไม่ทันได้มองนะว่าท่านข้ามไปได้ยังไงเนี่ยมันอะไรกันแน่นะเนี่ยมันบอกว่านี่มาสิกระโดดมาเลยวุ้ยไม่เอาแล้วอย่างนี้ทีนี้ท่านก็นั่งฝั่งนูน้นเราก็นั่งฝั่งนี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันแกหลับตาเลยอย่างั้นนั่งสมาธิ ก็หลับตาเลยสิแล้วก็หลับตาบอกว่าให้หลับตาแกอย่าลืมนะไม่ลืมก็ไม่ลื ม, ม้มมมเราก็นั่งหลับตาเอ้นี่มันจะแล้วนะเนียเ่ยนั่งหลับตาก็นั่งหลับตาพอหลับตาพักหนึ่งเอ๊ะทไมเรากับอาจารย์นั่งอยู่ด้วยกันได้ยังไงอ้ห้าะกัก็กั ก็เลยลุ่งขึ้นก็เลยเดินทางกลับจนกระทั่งไปถึงเมืองสกลนครใช้เวลาสิบห้าวันแทนที่จะเป็นสิบวันทีนี้เมื่อสักปีที่แล้วหรือปีก่อนเนี่ยก็มีข่าวว่ามาาาาีคนเมืองรับแรงที่เมืองวริสเนี่ยมันมาจ้าง ไอ้พวกใช้หนังกลางแปลงเนี่ยมาใช้หนังกลางแปลงอ่ามาใช้หนังกลางแปล ง, ง, ง, งแล้วก็มาจ้างอย่างดีเจนะอ่าอันนี้ก็บอกว่าขึ้นลรถไฟอ้าวขึ้นละห้าพันห้าพันก็ห้าพันเขาก็พาพวกนี้ไปก็ขึ้นรถไปด้วยกันนะอ่าไอ้ไอ้อนี่ก็เตรียมตัวเตรียมใจไปอย่างดีแล้วอ่าพอไปถึงเมืองวาลิตโอ้โหคนเยอะแยะไปหมดเลย อ่านั่งคอยดูหนังไอ้ น, นี่ก็ตั้งจอขึ้นฉายหนังพอตั้งจอขึ้นฉายหนังมันก็ฆ่าไปนะไอ้ต้องควรจะหัวเราะไอ้พวกทำไมมันไม่หัวเราะไอ้ต้องที่ไม่หัวเราะไอ้พวกนี้หัวเราะกันใหญ่ฉจนก็งสงสัยว่าเอ้นี่คนพวกนี้เขามันเป็นยังไงแทบไม่เหมือนกันความรู้สึกไม่เหมือนกัน พอเวลาเข้าภาคเขาหัวรอคนเดียวเกือบตายไอคนภาคอะ่ะไอคนไอพวกนั้นนัง่งเฉยอ่าพอที่คขาเข้าภาคท่าไม่รู้เรื่องเลยไอพวกนั้นหัวรอดกันใหญ่อ่าเสร็จแล้วได้เวลาเอานะได้เวลาแล้วแก้สว่างแล้วองั้นเอาเงินเท่าไหร่สองคืนเนี่ยไปอยู่นะ่ะสองคืนเอาสองเอาหมื่นหนึงน่งก็แล้วกัน เขาก็เอาเงินมาให้ธนบัตรไปแดงๆนอะมาให้หมื่นนึงเสร็จแล้วไอ้พวกนั้นหายหมดไอ้มานี่อสลืมสลือกลับคืนมาไอ้เงินนั้นน่ะมันเป็นใบไม้หมดอ่ะแล้วก็กลับมากรุงเทพมาเล่าให้เขาฟังมันก็ไม่เชื่อกันคนในกรุงเทพแล้วกระทั่ ง, ทงบางคนนี่ถึงกับว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแกพาไปอีกไปถ่ายเอไปถ่ายมาออกโทรทัศน์กัน ไปถึงไปถ่ายก็เห็นมีแต่ต้นไม้เม็ดมีอะไรอันนี้คือเมืองวาริศไปถึงสกลนครแล้วก็คงจะจบไว้แค่นี้ก่อนอวันนี้ต่อไปก็คงเป็นรายการถามปัญหากันต่อไปอเชิญตามอัธยาศัยไม่ต้องเกรงใจนะร้อรงพระ อาจารย์น่ะมาพระทั้นมานั่งอยู่นี่สองข้ก็ไม่ต้องเกรงใจท่านครับท่านไม่ว่าอะไรล่งถาม เ, <c oughs> เออแปดแปดเก้าคุณสง่าชัยรัตนุไทยขอเชิญกราบดังนักสกันอาจารย์ครับกระผมข อ, อมีคำถามที่จะถามเรียนถามเนี่นะครับมีสองข้อนะครับข้อแรกคือเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธินะครับ คือในในส่วนตัวของกผมนะครับถ้าเผื่อว่าช่วงที่อ่านหนังสือธรรมะหรือว่าหนังสือประวัติของพระอริยสงฆ์นะฮะจะมีความรู้สึกจิตใจเนี่ยสงบแล้วก็เยือกเย็นนะครับเป็นสมาธิดีแต่ถ้าเผื่อว่านั่งฝึกสมาธิตามปกติตามวิธีปกติที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับจะไม่สามารถทำได้ถึงขนาด เหมือนที่อ่านหนังสือธรรมะไม่ทราบว่าก็ผมจะต้องแก้ไขยังไงบ้างครับเอ่ออันนี้ก็ไม่ต้องแก้ไขหรอกเพราะว่าเวลาที่อ่านหนังสือธรรมะที่ให้มันเกิดเป็นสมาธินั่นนะก็เพราะว่าในจิตใจของเราเป็นสมาธิเป็นสมาธิก่อนที่จะไปอ่านหนังสือนั่นแล้วเพราะอะไรเพราะว่าความเลื่อมใส ความเลื่อนสาด้วยความเชื่อมั่นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดสมาธิแล้วเมื่อเวลาไปอ่านข้อความเข้าก็เลยเกิดไอ้ความขนพองสยองก้าวขึ้นอันนี้แบบเดียวกับที่หลวงพ่อตอนนี้ยยังเด็กอยู่ไปอ่านการ์ตูนไปนอ่านการ์ตูนเรื่องสังทองพอ <c oughs> อ่านการ์ตูนเรื่องสังทองแล้วเนี่ย เปิดไปอีกหน้านึงเนี่ย อ, อมีเขาเขียนถึงพุทธประวัติแล้วก็มีพระพุทธเจ้าทรมานเหลือแต่สิโครงพระอ่านไปว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยมาถึงทรมานเกือบจะตั้มสิ้นชีวิตกว่าจะได้ธรรมะ ม, มาสอนเราอ่านไปอย่างเงี้ยน้ําตามันไหลพราคลงไปยังไงไม่รู้ อันนี้คือปฏิกิริยาหนึ่งที่เกิดเป็นสมาธิโดยธรรมชาติที่ว่าเกิดความเลื่อมใสและส่วนสมาธิที่เรามาทําเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่านั้นน่ะแต่ก็คิดว่าไม่น่าวิตกกังวลเพราะว่าการทําสมาธินี่จุดมุ่งหมายต้องการพลังจิตการที่ทราบซึ้งอ่ะมันจะเลยจัดสมาธิกลายไปเป็นฌานอย่างน้ําตาไหลอย่างที่หลวงพ่อเป็นอย่างงี้นะ มันเลยสมาธิแล้วมันไปเป็นฌานเพราะฉะนั้นการทำสมาธิที่มีความรู้สึกว่าเราไม่ไม่สบายเหมือนอย่างนั้นเนี่ยอันนี้คือเราได้พลังจิต ด, ดีอ่าแถวนี้ข้อที่สองนะครับคือจากที่สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับได้ฟังหลวงพ่อพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับมีช่างปั้นหม้อ อ, อยู่คนหนึ่งที่ว่า มีพระสองฆ์องค์หนึ่งที่จะขอให้ช่วยเบิกจากทองเนี่ยนะฮะเสร็จ แ, แล้วก็ได้พูดในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไปผมเกียบเทียบกับนิทานเซนอยู่เรื่องหนึ่งนะครับมีเจ้า ว, วาดเซนอยู่องค์หนึ่งในหน้าหนาว อ, อ, อากาศนี่หนาวเย็นมากเจ้า ว, วาดองค์นี้ก็เลยนำเอาเออพระพุทธรูปที่เป็นรูปไม้เนี่ยนะครับมาเผา เขาแล้วก็มานั่งถิ่งไฟลูกศิษย์ก็มาถามว่าอพระอาจารย์ทําอย่างนี้ไม่บาปหรือเจ้าวาดองค์นั้นก็ตอบว่าเพื่อความอบอุ่นเพื่อที่ให้มีมีชีวิตต่อไปในการที่จะทำรูบํารุงศาสนาอันนี้ไม่ถือว่าเป็นบาปอันนี้อยากจะขอหลวงพ่อช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าอันนี้ถ้าเทียบวกวับเรื่องที่ที่แล้วที่เพียงแบ่พูดว่าเอาพระอังคารหรือพระบรมสา ร, รีธาตุของอพระเจ่า ของของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปลอยน้ำเนี่ยนะฮะความบาปนี่เป็นยังไงบ้างครับอันนี้การที่เอาพระพุทธรูปมาเผาพระพุทธรูปนั้นเป็นไม้เก่มาเผาไฟผิงเรียกว่าสิ่งที่เคารพ บ, บูชานั้นน่ะเป็นพระบรมศาสดาไปทำอย่างนั้น จเจ้าอาวาสองนั้นน่ะก็คงจะต้องรอยน้ำแน่ๆบาปแน่แล้วทำอย่างนั้นไม่ได้ <c oughs> จะแก้ตัวยังไงก็คงแก้ตัวไม่สำเร็จนะ <c oughs> ต่อไปข อ, ข อ, ขอเชิญ ค, คุณสถิตพนนาคประพันธ์กราบกรพมสการพระอาจารย์ครับผมมีปัญหาอยู่สองข้อที่จะเรียนถามอาจารย์ดังนี้ครับ ขออีกแล้วเขาให้ก่อนเดียวอ่าเนื่องจากว่าการนั่งสมาธิตั้งแต่เริ่มมานี่นะครับรผมไม่สามารถระบุได้ว่าการวางใจนั้นถูกต้องหรือไม่อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะทราบได้อย่างไรว่าการวางใจไว้ที่หน้าผากของข้าพเจ้าเนี่ยจะถูกหรือไม่ครับการวางใจนั้นไม่เฉพาะหน้าผากหรอกที่ ใจญอกเบื้องซ้ายก็ได้ปลายจมูกก็ได้ด้าเดือก็ได้อันนี้แต่การวางใจที่ถูกต้องนั้นก็คือว่าเมื่อมาถึงที่นี่แล้วจิตไม่ว่าแแวกมาที่หลังก็ทำได้อีกมาที่หลังก็ทำได้อีกก็ควรจะต้องตั้งอยู่ที่นั่นนั่นถือว่าวางใจได้ถูกต้องแล้วแต่เมื่อเวลาที่เราวางใจถูกต้องแล้วเนี่ยเราคิดว่าเอะที่ที่อื่นมันจะดีกว่านี่มั้ง อันเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณสนั่นภูริษีลาวมุตการหลงพ่อจิตมีปัญหาอยากจะถามหลวงพ่อว่าตอนนี้ที่สิบท ร, รมสมาธิอีกนะครับในขณะที่นั่งไปนะครับ ในขณะจิตใกล้ๆจะรวมนี้มันจะสะดุ้งวาบขึ้นมาทันทีครับหลวงพอ่อปัญหาอย่างนี้นี่เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยรวมลงเลยครับแบบนี้ครับจะแก้ไขรยังไงครับหลวงพอ่อในการที่มันสะดุ้งเนี่ยก็หมายความว่าจิตมันจะเข้าผวังแต่ว่าไอ้จิตเนี่ยมันยังไม่ทันถึงขั้นจะเข้าผวังได้จิตมันก็เลยหล่นลงไปมันจะไปเข้าผวังมันก็เลยสะดุ้งขึ้น สะดุ้งหมายความว่าสติมันขาดไประยะหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการสะดุง้งเราก็ต้องมีสติเดี๋ยวอย่างเวลาที่เรานึกพุโทโธเนี่ยเราก็มีสติสตินี่คือความรู้ความรู้ว่าเรานึกพุโทโธอยู่น่ะไอ้ความรู้ว่านั้นเราเรียกว่าสติแล้วทีนี้พอเวลาจิตมันจะว่ำลงไปอย่างนี้เราก็มีสติเตรียมไว้ ้าเกเรียมไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยการสะดุ้งจะไม่มีแต่ว่าถ้าเรายังจะสะดุ้งอยู่ก็คิดว่าน่าจะปล่อยแล้วพอต่อไปเนี่ยมันเกิดความชำนาญมันก็จะไม่สะดุ้งเองเรื่องเป็นอย่างนั้นกราบขอบพระคุณครับก็ขอเชิญคุณสมใจสุนทรานุ <c oughs> กรามมัสการท่านอาจารย์ค่ะ ในชั่วโมงต้นๆนะคะจะมีเพื่อนนักศึกษาคนหนึ่งในหน้าปกจะมีรูปหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าแสงนะนั้นเป็นการพิมพ์ลักษณะของเทคนิคออกมาทีานี้ทางด้านปกหลัง่ะคะซึ่งเป็นโลโก้ของสถานสถาบันในรายละเอียดอันนั้นนะคะไม่ทราบมันมาจากที่มาความเป็นจริงอะไรทำนองนี้หรือเปล่าคะอย่างเช่นมันมีสีแสงอะไรทานองนั้นนะคะ อ, อ, อันนั้นมันเป็นเทคนิคอะเทคนิคของจ่ายช่างภาพเขาทำเทคนิคขึ้นทางด้านปกหลังค่ะท่านอาจารย์อันนี้เล่มหนึ่งก็เล่มสองเนะี่ยอ๋อความหมายตรงกลางเหรอค่ะความหมายตรงกลางี่มันเขียนตัวพีเป็นตัวอะไรไปไม่รู้ สี <Okay. S 1> สีสันมันล่ะคะท่านอาจารย์มันมีความหมายมันแต่ละ ส, สีต่างๆเนี่ยคือเรียวกว่าสีของฉัพพันธรังสีคือพระพุทธเจ้านี่เวลาจะมีรัศมีเนี่จะมีอยู่หกสีด้วยกันเรียกว่าฉัพพันธรังสีเราก็ใช้ฉัพพันธ์ธารสีนั่นน่ะมาใช้เป็นไอ้วงกรมมันนี้ <c oughs> สี มันจะเกี่ยวเนื่องกับทางกระแสจิตซึ่งอันนี้นะคะจะเหมือนกันทุกคนไหมคะอะกระแสจิตนี่ก็เหมือนกันนะคือมันจะมีกระแสแสงต่างๆแต่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นนะ่ะกระแสเหล่าเนี้แต่ไม่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหกสีได้ก็คงจะเกิดขึ้นสีเขียวสีแดง อาจจะเกิดขึ้นสีขาวสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้สำหรับสีโดยทั่วไปเวลากระแสจิตที่มันออกเนี่ยครับขอบพระคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณสมชัยพิทักษสังรามนัสการพอาจารย์ครับกับผมใคยกราบเรียนว่าลักษณะของกายคิดนี่นะครับมันจะเหมือนกับกายหยาบหรือเปล่าครับ เ, เวลาที่ก็แสดงออกมาเนี่ย เดี๋ยวกายเทปนี่จะเหมือนกายหยาบหรือเปล่าครับกายเทปนี่ก็คงจะลอกเลียนกายหยาบของเราไปเนี่ย <c oughs> แต่จะให้เหมือนจริ ง, รงๆเอะคงไม่เหมือนแต่ก็คงจะอยู่ในฐานะที่ใกล้เคียงตาขอบพระคุณครับแล้วก็กายเทปถ้าหากว่าเราทําสมาธิได้เยอะๆเนาะ กายทิพย์จะมาเป็นตัวที่พยุงให้กายหยาบของเราเนี่ยดีขึ้นอีกเยอะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นแล้วก็กายทิพย์นี่เองเนี่ยจะกลายเป็นดวงตาทิพย์หรือเรียกว่าธรรมะจักรสุที่เขาจะดำเนินวิปัสสนาต่อไปข้างหน้าครับขอบพระคุณครับต่อไปก็ขอเชิญคุณสมชาติละจิต วัฒนากราักดิศกัณพระอาจารย์ครับผมมีเรื่องข้อสงสัยเกี่ยวกับอนิสง์ของการเดินจง ก, กรมครับ อ, อ น, นิสง์ของการเดินจงกรมนั้นก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรอดรงขึ้นเพราะการเดินนั้นถือว่าเป็นกายภาพบาบัดชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นอริยบทที่พอเวลาเดินจงกรมแล้วเนี่ย อลเลือดลมเดินสะดวกพอเวลาไปนั่งสมาธิจิตก็สงบเร็วอานิสงของเดินจงกรมบางทีมันจะง่วงขึ้นมาอย่างนี้เดินจงกรมก็หาย <c oughs> อานิส ง, งมีเยอะสำหรับการเดินจงกรมครับพระอาจารย์ถ้าผมสงสัยอยู่ข้อประการที่ห้าของอานิสงการเดินจงกรมที่กล่าวว่าสมาธิที่ได้ขนาดจงกรมแล้นย่อมตั้งอยู่นานนี้มันหมายความว่าไงครับ สมาธิที่เดินจงกรมแล้วตั้งอยู่ได้นานใช่ไหมใช่จากอันนึงผมตั้งอ่นาือ่สมาธิตื่นสมาธิที่เดินจงกรมเนี่ยเราไม่ต้องการสมาธิลึกแต่เราต้องการสมาธิตื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราเดินจงกรมเนี่ยจึงให้นึกให้คิดตามอัธยาศัยนึกไปแต่เราก็ดึงมานึกไปเราก็ดึงมา ในขณะนั้นน่ะมันก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นในตัวเมื่อเกิดเป็นสมาธิในตัวแล้วเกิดความชนานาญแล้วเวลาที่เราเอาไปใช้งานธุรกิจต่างๆหรือเอาไปใช้งานการร่ำการเรียนต่างๆเนี่ยมันจะไปเกิดความชนานาญในที่นั่นเพราะว่าเมื่อเวลาเดินจงกรมแล้วเราเกิดความชนานาญในการนึก เพราะว่านึกไปก็มีสตินึกไปก็มีสติพอเวลาไปทํางานมันก็กลายไปเป็นมีสติในเวลาทํางานอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยทําให้สมาธิเนี่ยมีผลไปยังธุลกิจต่างๆได้แต่ว่าที่ว่าสมาธิที่เดินจงกรมตั้งอยู่ได้นานนั่นมันก็คงจะไม่เท่ากับนั่งสมาธิคงจะนานกว่า เอาไว้ต่อไปได้ตอบกันใหม่ทีนี้ต่อไปขอเชิญคุณสมชิตเรืองรักเรียนบบการามาตการของพ่อเลยฮนะผมมีความสงสัยอยากเรียนถามนี่ว่าตั้งจิตเนี่ยนฮะผมพ่อบอกว่าตั้งไว้ที่ไหนก็นไว้ที่นั่นแต่นี่ไม่ลองย้ายดูจะรู้ว่าตังไงตรงไหนมันเหมาะสมฮนะหือผมตั้งไว้ที่หน้าผากเลยปวดหัวมากเลย คื้อสารภาพหลวงพ่อไม่ใช่ว่าหลวงพ่อบอกว่าตั้งตรงไหนก็ตั้งตรงนั้นก็เถงโงเกินไปย้ายได้ไม่ดีจะย้ายไปก่อน <c oughs> ที่ว่าที่ว่าให้ตั้งตรงไหนตั้งอยู่ตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นมันถูกแล้วถ้ามันไม่ถูกเราก็ย้ายเออเนึ่องาที่ หน้าผากก็ไปปวดหัวอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วเราย้ายดีกว่าเก่าเร่าก็คุ้ครับมีมีข้อหนึ่งฮรัพ่อครับเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยนะฮะสมาธิขึ้นได้ที่เราจะเราจะส่งยานนั้นเนี่ยไปใช้ในการทํางานได้ไหมครับอมันยังไม่เป็นยานหรอกส่งไปก็คือสัญญาความนึกคิดไม่สาเร็จประโยชน์ แล้วก็ไม่สนับสนุนที่จะให้ลูกศิษย์นั่งไม่ทันไลก็จะไปทำธุรกิจอะไรเหล่านั้นแล้วเราต้องถือว่าในการที่เราจะทานี้เป็นการเริ่มต้นของการกระทาเปรียบเหมือนกับเด็กะจะให้ไปแบกของหนักมันไม่ค่อยไหวหรอกเมื่อมันเป็นยาเนะถึงจุดพลังอานาจเมื่อไรเราจะบอกให้ครั บ, รบขอบคุณ <c oughs> ต่อไปก็ขอเชิญคุณสมทวินขันยันการนาวีค่ะ อ, ะอะกราบนี้นมาทักทายอาจารย์สิตธิขอเรียนถามในเรื่องการนั่งสมาธินะคะคือนั่งสมาธิครั้งแรกนั้นจิตจะสงบเร็วมากบริกรรมพุโทโธไม่กี่ครั้งจิตก็สงบแล้วจึงหยุดบริกรรมพุโทโธแต่ว่าจิตจะสงบไม่เกินห้านาทีก็วอกแวกแล้วค่ะเมื่อทําอีกบริกรรมพุโทโธอีกจิตจะไม่ค่อยสงบเลยจะแก้ไขยังไงคะ อพอเวลามันสงนบไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วเราหายกลับมาบริกรรมอีกครั้งหนึ่งอันนี้เราก็ต้องทำนานกว่าเก่าเนื่องจากว่าการทำสมาธินี่ให้ปรับความเข้าใจอีกนิดหนึ่งว่านับตั้งแต่วินาทีของการบริกรรมนั้นถือว่าจิตเป็นสมาธิไอ้ความสบายเราอาจจะพอเวลาเรพุทโธพุทโธไปเราจะปยขึ้นมา อันนั้นมันเป็นชานไปแล้วทีนี้เมื่อมันหมดกําลังของชานแล้วเนี่ยมันจะไปเป็นอย่างนั้นอีกไม่ได้มันจะต้องทำอีกนานมากเพราะว่าเราทำมาเนี่ยบางทีมันก็ทำมานานๆมาเราก็เก็บๆเก็บๆเอาไว้พอมาถึงจังหวะมันก็สบายแต่แท้จริงๆเราทำมานานก่อนก่อนมาแล้วถึงมาสบายตรงนั้นทีนี้พอเวลาทำอีกจะให้มันแป๊บเดียวได้เหมือนอย่างเดิมไม่ได้ มันก็จะต้องทำให้นานต่อได้จังหวะเหมือนกัรรับประทานอาหารพอมันอิ่มแล้วมันก็ต้องถึงกฎเกณฑนะ์ของมัน่ะมันถึงอิ่มขอบพระคุณทีอาจารย์ครับต่อไปขอเชิญคุณสมปองอยู่นุชกราบนมัสการหลวงพ่อที่เขาโลกเพียงสูงเสร็จขออนุญาตเรียนถามดังนี้ครับการนั่งสมาธิที่บ้านนั้นบทสวดมนบทสวดก่อนทาสมาธิและบท อแม่ตาพิเศษนั้นกลัวจะกาออกเสียงหรือว่ากล่าวในใจครับเ อ, อนั่งที่บ้านนั่นออกเสียงแต่ว่าออกค่อยๆหน่อย อ, อไม่เป็นไรถึงไม่ออกเสียงเลยก็มีค่าเท่ากันหลวงพ่อก็เคยได้ยินพระอาจารย์แต่ก่อนท่านสวดเข้าไปในห้องเอเสียงอะไรนะโอเสียงอาจารย์สวดวนงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง นี่รลวงพ่อร้องพ่อทำไมหลวงพ่อสวดมนต์ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรงงงำ ง, งงกำนะฮะ เ, เ, เสวดรู้เรื่องไงสวดดังเขาก็าว่าเอาสิแล้วเราไม่ออกเสียงเลยได้ไหมเออได้มันก็มีค่าเท่ากันแล้วแต่ทีนี้ที่เราออกเสียงอราต้องการให้มันจําว่า ง, งั้นแต่ถ้าที่จริงเนี่ยก็คือออกจากใจพอใจเรานึกเช่นอย่างอรหังสัมมาสัมพุทโธปถวาเรากนึก แน่หลางสมาสมพดโทรปกรว่าเหมือนกันกรใจอันเดียวกันเพราะฉะนั้นมีเสียงหรือมไม่มีเสียงไม่มีค่าเท่ากันครับขอบคุณครับ